ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสักรังเอวามิวิโตทินังเปตานังอุปาคปติอิจิตังปฏิตังสุมหังทิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยะถามณิโชติระสุยะถา อโงวิวาจันตุสภาพโรคูวินัสสตุมมาเตภาวาทวันตารายโยสุงคิงทิฏฐิยูโคภาวะพิวันทานาสีเลียนสานิ จ้างวทฏจารปจายน้อยจารโรธามาวะันทานติอายุวันน้อยสุขานัาางสัพพุทธานุภาเวนัสสั พ, พธรรม นุภาเวนณสาพาสังคารนุภาเวณพวดขราตนาังธรรมรตาน า, งาัานางสังครัตานางังเตียนรัตานานังอา น, นุภาเวณจัตุราสิทธิสาหาสัฐมะคัน นุภาเวนะปิตาการใจยานุภาเวนะชินาสาวกานุภาเวนะสามเพเตโรคา เทเทภยยาสพยาพเทเทอันตรายายาสาพเทเทอุปัทเทวะสาพเทเททุนิมินการสัพเทเทอาวะมังคัาวินาสาตุอายุวะท่าควรท่านาวั ท้าโกศริวัตท่าโกยะสาวัตท่าโกภะลาวัตท่าโกวันนาวัตท้าโกสุขาวรทาโกโหตุสาภาทาตุขาราคาภยาเาสต สันตุจุปาทะวะาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจาติ ส, ส, สัสยยสีทิธานกปังสุทิภาคยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนยจักหองคังวุต เิจายาววาสตวสันสายกายูจะชีวสิทธิภาวนตุเตปภาวตุสามภาบงพระคันตุสามภาเทวตาสามาพุนนุภาเวนสาสุทสส ทิพาวันตูเตมพาวตุสาพามาณการราคันตุสาวตาสาพาธรรมนุภาเวนสัทาสุทิพาวันตุเตมพาวันตุสาพามาณการราคันตุสา วาจาสาภพสังฆ า, านุภาเวนสั า, าสโท ท, าาทีภาวันตุเต